<c oughs> ขอน้อมน้อมต่อคุณพระรัตนไตรขอกาพพระอาจารย์ทรงศิลปเพื่อนสัทธาไมลุกท่านจเจริญธรรมไม่ทีระยิธรรมทั้งหลายเนาะก็นั่งสบายๆเนาะในพุทธศาสนานี้ก็มีคำสอนอยู่มากมายนะที่ประมาณว่าแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นะมีมากมายนะคร น, นี้ถ้าเรานะ แยกแยะไม่ถูกแล้วเราก็จะจับประเด็นไม่ได้เนาะแต่ถ้าเราแยกแยะมาจริงๆแล้วจะมีแค่สองประเด็นเท่านั้นเองคือพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เรารู้จักทุกประการที่สองก็คือปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกนั้นเนาะอันนี้จริงๆแล้วมีหลักเพียงแค่นี้เท่านั้นเองถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วเราจะรู้ว่าเรามาศึกษาหรือปฏิบัติธรรมเพื่อเหตุอะไร นะซึ่งพระเจ้านี้นท่านได้ประสบะปัญหาต่างๆมากมายท่านก็เห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นความทุกขนะ์ท่านก็ดิ้นร น, นที่จะออกมาสแสวงหาทางพ้นทุกขนะ์เพราะฉะนั้นการที่พระเจ้าทรงตรัสรู้นั้นนะท่านจริงๆแล้วท่านไม่ต้องการสิ่งใดๆนะมากกว่านั้นเลยนอกจากความพ้นทุกข์ แล้วก็นําคําสอนนั้นมาสู่พวกเรานะอยู่ที่ว่าพวกเราเนี่ยจะเห็นในตรงนี้ไหมนะเพราะการปฏิบัติธรรมนั้นนะไม่ได้เพื่อหวังอย่างอื่นนะไม่ได้หวังจะต้องมีทิพย์อำนาจนะหรือสิ่งนะมหาศักริ์ใดๆนะต่างๆเหล่านั้นอันนั้นไม่ใช่หนทางในพุทธศาสนาที่แท้จริงนะแต่หนทางที่แท้จริงก็คือปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เท่านั้น นะนี่คือเป้าหมายหลักนะเพราะฉะนั้นจึงอยู่ได้ว่าเราเนี่ยสามารถเห็นทุกข์ได้ไหมนะเห็นทุกข์ได้หรือยังอย่านะงที่เราได้สวดนะทำวัดเช้าไปแล้วเรากนะ็มีการกล่าวอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงแสดงไวน้นะนะชาติเป็นทุกข์ความเกิดก็เป็นทุกข์ชาล า, ป า, ากกเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์มรณะเป็นทุกขขังความตายก็เป็นทุกข์ โศกปริเทวัตุกัทโทมนัสสุปายาสาปทุกขาความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจก็เป็นทุกข์การพ ล, พลาดจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์การประสบกับสิ่งที่ไม่รักก็เป็นทุกข์ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นๆก็เป็นทุกข์ว่าโดยยออุปทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ นะอันนี้เราจะเห็นตรงนี้ความทุกเนี่ยนะเห็นไหมเนาะตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะถ้าผู้ดนะีอ่ดไม่เห็นทุกเขาก็ไม่อยากมาปฏิบัติธรรมกันก็เคย <c oughs> เคยชวนให้คนมาปฏิบัติธรรมนะเขาก็ถามว่าจะไปปฏิบัติธรรมไปทําไมบอกว่าปฏิบัติธรรมแล้วความทุกข์ก็จะน้อยลงเขาบอกว่าเขาก็ไม่เห็นมีความทุกข์อะไรเลยนะเขาก็สบายดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ปฏิบัติธรรมเนาะ อันนี้คือความเห็นของคนส่วนใหญ่เป็นเช่นนี้เนาะเพราะงั้นการที่เรามาปฏิบัติธรรมส่วนหนึ่งเราเห็นทุกไหมนะตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะความทุกข์ก็มีความทุกข์ในทางกายและทางใจนะอย่างบางคนบอกว่าเราไม่เห็นมีความทุกข์อะไรเลยนะลองดูขณะเนี้มันหนาวนะมีความทุกข์ไหมเนาะบางคนอาจะหิวนะก็เป็นความทุกข์ไหม นะเราล่างมาครึ่งชั่วโมงแล้วเราปวดเมื่อยนะมีความทุกไหมนะหรือเราง่วงนอนเรามีความทุกไหมนะเรามีความเบื่อมีความทุกไหมนะสิ่งเราเนี้ยก็เป็นความทุกข์ที่ปรากฏในขณะนี้อยู่แล้วนะอยู่ที่ว่าเร า, เาไปเห็นเขาไหมนะแล้วความทุกขนะ์ในทางกายเนี่ยนะสิ่งเราเนี้ยเป็นสิ่งที่เราเราสาไม่สามารถที่จะดับเขาได้แน่นอนอย่างแท้จริงนะเพราะว่าทุกขนะ์นี่ยมันเป็น ทางกายเป็นทุกประจําสังขารเมื่อเราเกิดมาแล้วเราก็ ม, มีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาเนาะมีมีความหิวนะเราก็ไปทานอาหารอไปเดี๋ยวก็หิวใหม่เนาะมีความง่วงเราไปนอนเฮ้ก็ง่วงใหม่ปวดเมื่อยเราลุกขึ้นมาเดินอเราก็ก็ปวดเมื่อยใหม่ก็ต้องกลับมานั่งมานอนอีกอย่างเก่าเนาะ เพราะนั้นความทุกข์ในทางกายนี่เราแก้ไม่ได้น ะ, นะมันเป็นสภาวะที่ว่าเราไปทำอะไรก็ไม่ได้มันเป็นทุกข์ประจำสังขารแล้วก็เป็นทุกข์ที่จรมานะเราแก้ก็ไม่ได้เลยนะส่วนความทุกข์ทางใจนะความทุกข์ทางใจนีนะ้เป็นความทุกข์ที่รุนแรงกว่าความทุกข์ทางกายเนะเป็นเหตุให้คนฆ่าตัวตายได้ใช่แต่ว่าความทุกข์ทางใจเนี่ยกับสามารถที่จะดับนะหรือแก้ได้เด็ดขาดเนะ สามารถทําให้หมดไปได้อย่างแท้จริงนะครูบาอาจารย์ที่ทัศสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วนะท่านก็มีแต่ความทุกข์ในทางกายเท่านั้นแต่ความทุกข์ในทางใจท่านไม่มีแล้วนะตรงเนี้มันเป็นประเด็นที่ว่าเรามาปฏิบัติธรรมกันก็เพื่อแก้ความทุกข์ในทางใจนะไม่ได้แก้ในทางกายนะถ้าเราจับประเด็นในตรงนี้ได้แล้ว <c oughs> เราก็จะรู้ว่าเรามาปฏิบัติธรรมเพื่อเหตุอะไร อืก็คือเราเราเห็นความทุกข <gangs essa> <sounds> <mesan> <right> ์ไหมแล้วเราปฏิบัติเพื่อเพื่อที่จะดับความทุกข์ในทางใจเนาะนะคราวนี้การมารมนั้นนะเราก็จะเริญในสติปัฏฐานสี่นะซึ่งเป็นหนทางที่รัดสั้นเป็นหนทางตรงเป็นเอกายโนมัคโคเป็นหนทางเอกเพื่อสู่ความพ้นทุกข์เนาะพระพุทธเจ้าได้ทรงสัตย์ด้วยว่า ยืนให้รู้ว่ายืนเดินให้รู้ว่าเดินนั่งให้รู้นั่ ง, น, งนอนให้รู้วนอนเนาะ อ, อันนี้คืออ่าอิบบทปัปพระซึ่งอยู่ในอ่าหมวดกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนะตรงเนี้ยกลับมารู้นะในขณะปัจจุบันนี้นะเรานั่งเรารู้ว่าเรานั่งไหมเนาะแล้วก็ทรงกล่าวในอ่าในอิบบทย่อยต่างๆเนาะก็อ่าเลี้ยวซ้ายแลีวขวาเดินหน้าถอยหลัง คู่แขกเหยียดแขนก้มเงยนะทรงจีวรสังฆศีลหนะุจระปัตาวะดื่มกินพูดคิดนะดื่มลิ้ ม, มกินเคี้ยวต่างๆเหล่านี้ให้เรากลับมารู้ในขณะปัจจุบันไม่นิจว่าเรากําลังทำอะไรอยู่เนาะอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าเราไม่ได้เป็นเรื่องแปลกหรือเรื่องอลึกลับต่างๆอะไรเลยนะเป็นเรื่องในจิตใจาวันุษยเรานนั่เอง นะทรงให้กลับมารู้ว่าขณะ น, นี้กำลังทำอะไรอยู sure. ่นั่นไดเป็นสิ่งที่สำคัญนะเราเราเคยสังเกตไหมว่าปกศีเนี่ยเราจะทําสิ่งต่างด้วยความเคยชินนะเราเดินก็เดินด้วยความเคยชินทั้งทั้งที่ก็เดินมาตลอดชีวิตนั่นแหละอแต่มันน้อยคนนักนะที่จะกลับมารู้ว่าขณะนี้เราเดินนะพระพุทธเจ้าบอกให้กลับมารู้อยืนให้รู้ว่ายืนเดินให้รู้เดินนั่งให้รู้นั่งนอนให้รู้วนอน นะเพราะฉนั้นผู้ใดกลับมารู้ว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยูนะ่ผู้นั้นก็ชื่อว่าเราปฏิบัติธรรมแล้วนะหรือบางท่านอาจจะกําลังนั่งสร้างจังหวะอยูนะ่หรือนั่งพิกมืออะไรก็แล้วแต่นะก็กลับมารู้ในขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู่เท่านั้นเองนะการที่เรากลับมารู้นี่แหละมันเป็นหนทางนะทําให้เรากลับมาอยู่กับกายและใจของเรานะเพราะใจของเราเนี่ยมันจะหลงไปตลอดเวลาอยู่แล้วนะมัน ปกติของใจเนี่ยมันจะเป็นสภาวะที่ระบังครับเขาไม่ได้เขาก็หลงไปในความคิดต่างๆอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นการที่เรากลับมารู้นี่ยแหละเขาเรียกว่าเปลี่ยนหลงเป็นรู้นะหลงเพราะกามเก็บมาให้เปลี่ยนหลงเป็นรู้นั่นเองนะก็คือกลับมาอยู่กับปัจจุบันณธรรมคราวนี้ <c oughs> สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะนี้เรารู้ไหมนะเช่นเรานั่งเนี่ยเรารู้ไม่ว่าเรานั่งหรือเราต้องใช้คิดเอา ใช่ไเราสามารถที่จะรู้นะเราไม่ต้องไปคิดเอาหรือการที้เราพลิกมือยกมือสร้างอย่างบะเราเป็นความคิดหรือว่าเป็นความรู้นะอันนี้จริงๆแล้วคือเรารู้เราไม่ไดาไปคิดเอาใช่ไหมหรือขณะนี้มีอากาศหนาวๆเราต้องไม่คิดไม่ว่ามันหนาวนะอันนี้คือความจริงในขณะ น, นี้หรือการที่เราได้ยินเสียงการพูดในขณะนี้เราต้องไปคิดไม่ว่ากําลังได้ยิน นะเราก็เป็นแค่รู้เท่านั้นเองเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่คือความจริงนะที่ปรากฏขึ้นในขณะนี้จริงๆนะเพราะฉนั้นการที่เราอยู่รู้ในความจริงนี่แหละนะเป็ น, เ ป, นเป็นสิ่งที่เราแค่รู้เราไม่ได้ไปคิดเอา <c oughs> สิ่งนั้นเนี้ยก็เรียกว่าเป็นปัจุบัิธรรมนะปฏิบัติธรรมนี่เป็นสภาวะแค่เรารู้เท่านั้นเองนะนะแต่ส่วนที่ว่าเราเมื่อเช้าหรือเมื่อวานนะ เมื่อเช้าเราทําอะไรหรือเมื่อวานเราทานข้าวกับอะไรเนาะอันนี้ก็ต้องไปคิดเอานะ เ, าเมื่อวานเราทานข้าวกับอะไรเนาะหรือแค่เมื่อกี้นี้เท่านั้นเองนะเราตื่นนอนเราทําอะไรเราก็ต้องไปคิดเอาเหมือนกันเนาะเพราะนั้นไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นในขณะนี้แต่เป็นการอาศัยความคิดนะอาศัยความจําขึ้นมานะใช้การดึงความคิดขึ้นมาใช้ หรืออเย็นนี้เราจะทําอะไรอไปเดี๋ยวเราจะทําอะไร <c oughs> สิ่งเหล่านี้ก็ต้องใช้ความคิดทางนั้นเลยเนาะเพราะนี่ก็เป็นอ <c oughs> นาคตที่ยังมาไม่ถึง <c oughs> สิ่งที่ยังอมาไม่ถึงนั้นก็เป็นแค่ความคิดอย่างหนึ่งเหมือนกันนะสิ่งนี้เราอาศัยความคิดแล้วไม่จะเป็นความรู้นะเพราะฉะนั้นอปัจจุบันธรรมนี้จ <c oughs> ึงเป็นเป็นความรู้นะโดยที่ไม่ต้องใส่ความคิดนะ การปฏิบัติธรรมก็คือเราอยู่กับปัญญาธรรมนั่นเองอเมื่อเราสามารถที่จะอยู่กับความรู้หรือตูรู้หรือจะกล่าวว่าเป็นความรู้สึกตัวตรงนี้มันจะออกจากความคิดได้ออกจากความคิดได้เนาะเพราะความคิดเนี่ยมันจะเข้าไปในอดีตหรืออนาคตเป็นส่วนใหญ่นะอันนี้เขาเรียกว่าเราเราหลงไปแล้วะแล้วความคิดเหล่านั้นอ่ะก็จะนำความทุกข์มาให้เรานะก็เรียกว่าเป็นความทุกข์เกิดจากความคิด เพราะนั้นอย่างอย่างที่เมื่อกี้ได้บอกแล้วว่า <c oughs> ความความทุกข์ที่เกิดจากความคิดนั่นแหละ <c oughs> มันร้ายแรงนะมันทําให้คนฆ้าตัวตายได้คนเราส่วนใหญ่นั้นมีความทุกข์จากความคิดเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ออกจะความทุกข์เราทั้นไม่ได้นะเนาะแล้วก็ไปทําเหตุต่างๆมากมายเป็นการทําร้ายตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัวนะแต่เมื่อเราสามารถที่จะออกจากความคิดได้อั น, นั้นแสดงว่าเราออกจากความทุกข์ได้ แล้วความทุกข์ก็จะน้อยลงนะเพราะนั้นประเด็นสำคัญก็คือเรากลับม า, อ, าอยู่กับปัจจุบันได้ไหมนะ เ, รเราจะกลับมาอยู่ได้อย่างไรนะก็คือกลับมาอยู่กับฐานกายก่อนนะอยู่กับความรู้สึกตัวนี่แหละเป็นสิ่งง่ายๆนะครูบาอาจารย์บอกว่ า, าดูกายเห็นจิตเนาะก็คือใหม่ๆเนี่ยเราเรารู้จักกายเราก่อนกำลังทำาไปอยู่นะขณะนี้นะถึงเราไม่ได้นั่งสร้างยองบะแต่เรารู้ไหมว่าเรานั่งเนาะ เนี่ยเราก็อยู่กับฐานกายได้แล้วใช่ไหมนะกระทบพื้นนะเรารู้สึกมันแข็งมันเย็นมันอ่อนนะต่างๆเหล่านี้เราก็อยู่กับฐานกายได้ครันะ้งนี้สิ่งต่างๆนี้เราก็อยู่กับปัจจุบันนะเพราะาการที่เราอยู่ปัจจุ บ, บันนั้นนะเป็นเหตุอย่างหนึ่งว่าตรงนี้ทำให้เราสามารถที่จะระลึกสามารถที่อยู่กับความลึกตัวได้ง่ายขึ้นนะครูบาอาจารย์ก็เลยให้เราสร้างยังบะขึ้นมานะเพื่ออะไร เพื่อให้การอยู่กลับไปบันได้ต่อเนื่องกันขึ้นมาเท่านั้นเองเนาะความที่ว่าเรามีความเคยชินนั้ น, นมันเป็นเหตุอย่างหนึ่งให้เราหลงไปนะเราจะสังเกตว่าขณะเราแปลงฟันน ะ, นะเราไม่ได้อยู่ปัจจำวันทำหรอกเราแปลงไปเราคิดไปด้วยนะ เ, ะ, วะเพราะว่าอะไรเพราะความเคยชินเราไม่ต้องรู้สึกตัวมันก็ทาไดใช่ไ่าแปลงฟันไม่ต้องคิดอะไรเลยมันเป็นอัตโนมัติไปแล้วนะ นี่แหละมันก็เลยตรงนี้มันหลงทั้งวันใช่ไหะครา้นี้เรากลับมารู้สึกตัวในการแปลงปันเราก็ทําได้แต่มันก็ห้านาทีมันก็จบนะเราทําอะไรต่อนะอ่ต่อไปไปกวาดพื้นนะกวาดพื้นสักสิบนาทีก็จบแล้วแล้วไปทําอะไรต่อยังก็ไปซักผ้าก็แล้วกันนะอซักอีกสิบนาทีก็จบแล้วแล้วไปทําอะไรต่อพอหลังนั้นก็ไม่มีอะไรทําจิตมันก็เลยหลงไปนะครูบาอาจารย์ท่านก็เลยคิดวิธีการขึ้นมาว่าเออเราจะบัดทําอย่างไรให้มันต่อเนื่องกันทั้งวันนะ เพราะมันเหมือนกับเราสีไฟใช่ไหมสีไฟถ้าเราสีแล้วมันหยุดสีแล้วมันหยุดมันก็ไม่เกิดไฟมันก็ต้องสีให้ต่อเนื่องกันมันจะเกิดไฟเพราะฉะนั้นการที่เราจะอยู่กับปัญญาธรรมส่วนหนึ่งก็คือให้เรารู้สึกตัวให้ต่อเนื่องกันนั่นเองนะมันก็เลยมีโอกาสที่ว่าเราจะทํำในต่อเนื่องก็คือก็มีรูปแบบขึ้นมาก็เป็นการสร้างสิสี่ยังบาทนี้นะบางทนบอกว่าเออสิสี่ยังบาทมันเป็นเรื่องแปลกนะมันไม่อยู่มีที่ไหนเขาทำกัน เขามีจะนั่งสมาธินิ่งๆนะหรือไม่ก็รู้ลบหายใจเข้าออกหรือไม่ก็รู้ท้องพองท้องยุบนะ น, นั้นก็เป็นเรื่องธรรมดานะอันนั้นคือการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งนะแต่ว่าการที่เรายกมือนี้นเป็นสิ่งที่ว่ามีการกล่าวไว้แล้วใ น, นพระไตรปิฎกบอกว่าคู่แขนเหยียดแขนเนอะอันนี้ก็คือการคูแขนเหยียดแขนอย่างหนึ่งซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดอะไรเพียงแต่ว่าวิธีการเนี้ยเป็นการเจนาธรรมขึ้นมานมะ เจตนาทำให้มันรู้สึกตัวรู้ว่าขณะนี้กลังทำอะไรอยู่อยู่กับปัจจุบันนะแม้แต่การที่เราตั้งใจรู้ลมหายใจเข้าออกหรือรู้ท้องผองอยู่ตอนนั้นก็เป็นเจตนาเหมือนกันนะเพราะการที่เราจะรู้สึกตัวมันต้องมีความตั้งใจตั้งใจในการเคลื่อนการหยุดต่างๆแล้วนี่อาศัยความที่เรามีเจตนาในการทาเพื่อรู้สึกตัวเจตนาเพื่ออะไรเพื่อที่จะแก้ความเคยชินนั้นเองนะ ปกติเราจะทำในความเคยชินททบดังนั้นแล้วก็กลับมาเจตนาในการรู้รู้ว่ากําลังทำอะไรอยู่นะสิ่งเหล่านี้นะ่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ล่างในประไตรปิฎกนะไม่ได้เป็นเรื่องที่มันผิดปกติอะไรครั้นี้เมื่อเราทําสิ่งเหล่านี้แล้วนะี่ยเขาเรียกว่ามาดูกายมันก็จะเห็นจิตนะเพราะจิตเราจะคิดนะนู่นคิดนี่ไปเรื่อยๆนะ ครั้นี้มื่เรามีความรู้สึกตัวแล้วจิตมันก็จะไปไม่ไกลนะมันก็จะกลับมารู้ในการเคลื่อนไหวนี่แหละอ่าเคลื่อนก็รู้หยุดก็รู้ะกระทบก็รู้อนี่เป็นลักษณะอย่างหนึ่งว่าอ่าเมื่อมีตัวรู้เกิดขึ้นเนี่ยก็เรียกว่าให้เป็นวิหารธรรมของใจนะเพราะเพราะว่าจิตเราเนี่ยถ้าหากว่าเร <c oughs> า, านั่งนิ่งๆเรานั่งนิง่งๆแล้ว <c oughs> จิตก็จะคิดไปนู่นเป็นนี่อยู่เรื่อยๆนะมันก็ทํางานมันไปเรื่อยๆ มันไม่มีที่เกาะไม่มีที่ให้เขาทํางานมันก็เด็กนะเด็กเนี่ยมันก็ถ้าไม่มีบ้านเขาอยู่ไม่มีของให้เขาเล่นเขาจะเที่ยวตลอนตลอนไปนะแต่เมื่อเด็กมีของเล่นมีบ้านอยู่เขาก็สามารถอยู่ได้นานขึ้นเนาะอันนี้ก็เหมือนกับวิหารธรรมอย่างหนึ่งให้ให้จิตมีเครื่องอยู่นะอตรงเนี้เมื่อจิตมีเครื่องอยู่แล้วเขาก็อาศัยตรงเนี้เป็นเครื่องอยู่ใ Ganz นการที่จิตมีงานให้เขาทานะ ทำอะไรทําเพื่อใหอ้อยู่กับปัจจุบันนั่นเองนะให้จิตเนี่ยเขามีเครื่องระลึกได้เครื่องรู้ในทางกายนี่แหละหลังนั้นเขาก็จะอยู่ได้นานขึ้นนะตรงนี้เมื่อเขาแวบไปเมื่อเขามีความคิดไปเขาก็รู้ทันนะการที่เขารู้ทันเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเป็นการเขยา่าทันรู้เนาะเพราะว่าการปฏิบัติธรรมเราต้องเจริญสตินี้เราต้องจับประเด็นให้ได้ว่าเราไม่ได้ทําเพื่อจิตสงบนะไม่ได้ทําให้เขาเป็นสมาธิ ไม่ได้ทำํำเพื่อให้เขาเป็นสมถะนะแต่เป็นการจเจริญอให้เขาเกิดความรู้ขึ้นมารู้อะไรรู้ในปฏจจุบันธรรมว่ากําลังทำอะไรอยู่นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเป็นการเขย่าท่านรู้ให้กลับมารู้รู้บ่อยๆนั่นเองนะอถ้าเราสังเกตได้เราจะรู้สึกว่าเอออการที่เราแค่รู้สึกตัวเท่านั้นเองนะบางทีอาจจะแค่เราพลิกมือคว่ำพลิกมือหงายจิตมันก็ไม่ได้ไปคิดไกลแล้วนะมันไม่คิดไกลเพราะอะไรเพราะว่าเรารู้แล้วใช่ไหม แต่เมื่อก่อนถ้าเรานั่งนิ่งๆมันจะคิดไปเลยห้าเรื่องสิบเรื่องเราก็ไม่รู้นะแต่ประตอนหลังเออคิดไปเรื่องสองเรื่องเราก็รู้แล้วนะหรือคิดไปครึ่งเรื่องก็รู้เลยนะเนี่ยแสดงว่าตรงเนี้ยมันจะกลับมารู้ได้เร็วขึ้นกลับมารู้ได้เร็วขึ้นเพราะอะไรเพราะเราไปเขย่าทานรู้เขาให้เขาตื่นตัวขึ้นมานะเขย่าจากฐานกายนี่แหละเขาเรียกว่ารู้กายตื่นกายรู้ใจตื่นใจนะเมื่อเราเขย่าทารู้ได้บ่อยๆจิตก็จะตื่นรู้ได้เอง ก็ เ, เรียกว่าเป็นความรู้เนื้อรู้ตัวนะการบัตธรรมทั้งหมดนะมันไม่ได้เพื่ออะไรเพื่อรู้เนื้อรู้ตัวรู้ว่ากายรู้ว่าใจเนี่ยขณะนี้กาลังทําอะไรขณะนี้มีอะไรเกิดขึ้นในสภาวะธรรมดูกายดูใจดูกายขึ้นไหวดูใจนึกคิดะตรงนี้มันจะเข้าสู่ประเด็นในการบัตธรรมเลยนะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อคำเกียงก็เลยบอกว่าดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นธรรมนะ เพราะนึกเมื่อเราเห็นความคิดแล้วเราก็จะเห็นธรรมอีกต่างหากเนา ะ, ะเห็นธรรมต่างหากว่าเออจริงๆสภาวะธรรมมันก็มีความไม่เที่ยงเราเห็นมีความทุกข์มีความเป็นนักตาบังคับบัญชาไม่ได้เนี่ยมันก็จะเห็นธรรมในตรงนี้ได้เนาะเราก็จะเห็นความคิดได้บ่อยขึ้นนะเมื่อก่อนเราจะรู้สึกว่ามันมันคิดนานนา น, น, า น, น, านคิดทีงนะแต่จริงๆแล้วมันคิดบ่อยนะมันจะคิดบ่อยมากแต่เราไม่รู้หรอก นะอันนั้นก็เราเราหลงหลงอยู่เรื่นะรรอยๆนะแต่การนี้เราเห็นเขาคิดบ่อยๆนะแสดงว่าจิตนะมันเริ่มเติบโตแล้วมันเริ่มเห็นความคิดได้บ่อยๆนะเพราะฉะนั้นการที่เราสามารถเห็นความคิดได้เนี่ยเขาเรียกว่าเราเราสามารถเห็นทําได้แล้วนะเห็นทําได้อย่างไรนะทำมันแสดงอาการอย่างหนึ่งว่าเราบังคับเขาไม่ได้นะเข้ามาแล้วก็ไปไม่ตัวไม่ตนของเรานะเราเห็นความคิดก็ทําทงานของเขาเองนะเราบังคับก็ไม่ได้หรอก นะบางครั้งเราไปฏิบัติรมแล้วเออมาวันมันดีนะวันนี้มันไม่ดีอันนี้ก็แสดงความไม่เที่ยงเราเห็นแล้วนะว่าเราบังคับเขาไม่ได้อเขาจิงอ่าไม่ใช่ว่าเขาดีทุกวันนะไม่เป็นไปตามเราต้องการหรอกอบางครั้งมันก็ดีบางครั้งก็ไม่ดีนะอันนี้คือมันเห็นปไตรลักษณ์ได้ใช่หไหมไม่เห็นไตรลักษณ์ได้ไบ่อยๆก็จะเกิดการปล่อยการวางกายไม่ยึยติดในกายและใจนี้เองนะเพราะนั้นในการเริ่มต้นเราก็กลับมารู้ฐานกาย ใ, ให้ชัดๆนะ เราก็สามารถที่จะรู้สึกตัวนะรู้เนื้อรู้ตัวบ่อยๆนะตรงนี้เราไม่ใช่ว่าเรารู้ยาวๆนะครนะูบาอาจารย์บอกใหนะ้ท่านบอกว่าให้รู้ตอนเรลุกโซนะเพราะว่าพระอาจารย์ไปสารนั้นตอนไปบัตรทำใหม่ๆก็ถามหลวง่อเทียนว่าจะบัตรเวลาไหนมั้งครับหลวอเทียนบอกให้ตื่นตั้งแต่ ต, ตื่นนอนถึงเข้านอนเลยนะก็คือนะตื่นนอนนี่เราสามารถที่จะรู้เท่าทันไหมขนานเนียตื่นขึ้นมาแล้วนะ เราก็ไปล้างหน้าล้างตานะก็เปลี่ยนจะเมื่อก่อนที่เราทําด้วยความเคยชินมารู้สึกตัวล้างหน้าก็ล้างด้วยความรู้สึกตัวแปรงฟันอาบน้ำํำพับผ้าห่มก็รู้สึกตัวขึ้นมาอย่างนี้ไปเรื่อยๆทั้งวันนะทานข้าวเดินไปเดินมาแล้วก็กางวันแล้วก็สร้างจังหวะเดินจงกลมกลางคืนมาทำวัด นะกลางคืนไปนอนต่างๆมันก็รู้สึกตัวไปทั้งวันอย่างเงี้ยอันนี้ก็เรียกว่ารู้อ่ะทําทั้งวันนะแต่ไม่ว่า ท, ทําทีเดียวยาวเหยียดเลยนะไม่ใช่ว่ารู้ทีเดียวอา่ายาวๆเลยนะอ่าการสร้างควางเหมือนกันไม่ใช่ว่ารู้ทีเดียวอ่นะต่อเนื่องกันยาวเหยียดนะอันนั้นเป็นการไปไปไ ป, ไปเพลงเอานะไปบังคับเขาต่างๆแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกไม่สบายอ่ะจิตจะเครียดมันจะมึนมันจะตึงนะทําแล้วมันรู้สึกว่ามันมันกดดันเนาะ เ น, นี้ยเขาเรียกว่ารู้ยาวๆเป็นแหล็กเส้นนะพอหลวงพ่อเทมบอกว่าให้ทําต่อเนื้อบุกโซ่นะบางคนจับคํามาต่อเนื่องไปคําเดียวนะก็เลยไปทับให้มันยาวๆไปเลยนะอ่ามันก็เลยเครียดแล้วก็ตึงแต่ลืมคําว่าลูกโซ่ไปนะลูกโซ่ก็คืออ่าลูกโซ่ที่ให้มันมันเป็นอเป็นข้อๆกันนะต่อๆกันก็คืออ่าเป็นครั้งๆเป็นขณะๆอ่าหรือว่าให้รู้บ่อยๆนะ ตรงเนี้ยก็คือเรารู้แล้วเราก็หลงได้นะรู้แล้วก็หลงได้การที่เรารู้แล้วหลงอกลับมารู้อีกครั้งหนึ่งนี่แหละอจิตจะโตขึ้นมานะจิตมันจะอก็เรียกว่ามันจะตื่นรู้นะจิตมันสามารถที่จะตื่นรู้แล้วเมื่อจิตมันตื่นรู้ได้บ่อยๆแล้วเนี่ยอก็เรียกว่ามีจิตตั้งมั่นนะะกลารเราจิตตั้งมั่นเนี่ยมันจะรู้รู้ตัวนะมันจะรู้ทันความคิดได้ไวนะความคิดมันไม่ค่อยไปไหนหรอก เราไม่ได้ไปห้ามเขานะถ้าเราไปบัตรรำถูกต้องแล้วเราไม่ได้ไปห้ามความคิดแต่ว่าความคิดเมื่อเกิดขึ้นแล้วเราจะรู้ได้ไวนะแล้วก็จะไม่ได้คิดอะไรเยอะก็จะรู้กายรู้ใจอย่างเขานี่แหละเพราะนั้นจากการตรงเนี้เขาเรียกว่าจิตมันตั้งมั่นนะเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วแนยเราเราไปบัติธรรมเราจะเห็นว่ากายและใจมันแยกกันนะมันไม่ใช่ว่าเป็นตัวเป็นตนของเราหรอกอันนี้เราไม่ตด้องอาศัยความคิดเลยนะเราจะเห็นว่ากายและใจมันก็แยกกันมันไม่ตัวไม่ตนของเรา เรายกมือสร้างอยู่บ่ามันก็เป็นแค่รู้เท่านั้นเองนะไม่ใช่เรารู้นะมันจะสังเกตได้หรือเราเลืออยังกลมต่างๆเราก็เห็นว่าเป็นเป็นแค่กายเท่านั้นเองะกายมันเคลื่อนไปนะกายมันเดินนะตรงนี้เราจะกลายเป็นผู้ดูดูกายมันเดินะในไหนที่เราเห็นกายมันเดินเมื่อมีความคิดแวบหนึง่งเราก็จะเห็นความคิดขึ้นมาได้เราก็เห็นเออใจมันทํางานเราเป็นผู้ดูไปไม่เราคิดนะเราสามารถที่จะเห็นกาย เดินนะใจมันคิดแล้วก็เราเห็นได้นะตรงเนี้ยก็เรียกเป็นการแยกรูปแยกนามได้แล้วนะตรงเนี้ยมันแยกธาตุแยกขันนะแต่การแยกธาตุแยกขันมันต้องมีจิตที่ตั้งมั่นด้วยนะมันจะเป็นผู้ดูไปนะมันจะสังเกตกายและใจตามความเป็นจริงนะเมื่อสังเกตได้บ่อยๆนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเห็นปะไตยรักษได้เร็วนะตรงเนี้ยมันเป็นประเด็นสําคัญที่ว่าเราไปปฏิธรรมเพื่อให้เห็นตรงนี้เนาะ เพราะนั้นมันตรงประเด็นที่ว่าอดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นธรรมนะมันจะเข้ามาเห็นมาไต่ลักนะเห็นเป็นแค่ลูกแค่นามเท่านั้นไม่ใช่ตัวไม่ต์นของเรานะถ้าเราสามารถที่จะเข้ามาถึงตรงนี้ได้ความยึดติดในในความเป็นตัวตนมันก็จะลดลงไปเองนะโดยที่เราไม่ต้องอาศัยความคิดว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ตต์ตนแต่อย่างใดนะแต่เป็นเป็นสภาวะที่มันปรากฏขึ้นให้เราสามารถเห็นได้ <c oughs> เพราะว่าตรงนี้มันเป็นประเด็นสําคัญในการที่เรามาปฏิบัติธรรมกันนะเพราะว่าความที่เรามีความยึดมั่นในตัวตนนี่แหละอมันตัวนี้เป็นความทุกขนะ์นะเป็นเป็นความทุกข์นะเพราะเมื่อมีตัวเราก็มีของของเรา <c oughs> มีสามีมีภรรยามีสมบัติต่างๆเป็นของเรานะตรงเนี้ยเป็นความยึดมั่นในในความเป็นตัวตนมันก็ยึดมั่นสิ่งอื่นไปด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะ คลายนะความยึดมั่นในตัวตนเราได้นะะตรงเนี้มันมันก็เรียกว่าเราสามารถละสักรยรติทฐิได้นะตรงเนี้ยความทุกข์ก็จะลดลงไปเองนะเราโดยที่เราไม่ไปทํำอะไรเขาเลยนะแล้วก็การที่เราละสักรยรติที่นี้มันมันเป็นอ่าข้อแรกของสังโยชน์สิบนะผู้ใดที่ละสักรยรติวิจิกิจฉ า, า, าศีลรพตปรมาทพนั้นก็จะเป็นพระโสดาบันนะ เพรา ะ, ะการที่เราปฏิบัติธรรมทั้งหมดนะมันเพื่อให้เห็นในความเป็นแค่เป็นรูปเป็นนามหรือเห็นแค่เป็นกายเป็นใจไม่ตัวไม่ตนนี่แหละหลังนั้นจิตก็จะเกิดการปล่อยการวางการมีติดไม่ยึดมั่นถือมั่นนะตรงนี้เป็นประเด็นสําคัญนะเพราะฉะนั้นการปฏิบัธรมใหม่ๆเราก็สามารถที่จะทํำด้วยด้วยความอยากได้นะอยากได้น่นอยากได้นี่ <c oughs> อยากได้สติสมาธิปัญญาอยากได้ความรู้ตัวสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะอถ้าเรา ไม่อยากได้เราเราจะมาไปทำไปทําไมนะแต่เมื่อเราทําไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะเห็นว่าเออสิ่งเหล่านี้นะอะ่มันเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งที่เราบังคับก็ไม่ได้หรอกบังคับบัญชาก็ไม่ได้เขาก็แสดงความไม่เที่ยงเราเห็นทุกๆครั้งในการบัตรทำมันจะไม่ดีทุกครั้งเนาะอ่าเราก็มีความทุกข์ที่เราต้องเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆต้องแก้ไขก็อยู่เรื่อยๆนะทนในสภาวะเดิไม่ได้นะมีการปวนแปรเปลี่ยนแปลงไปนะต่างๆ เราก็เห็นสภาพว่าเที่ําที่เราบังคับบัญชาก็ไม่ได้เขาจึงแสดงส่งต่างว่าเขาทำงานได้เองนะเราไปบังคับก็ไม่ได้หรอกเนะช่นความคิดก็จะคิดอยู่เรื่อยๆนะตรงนี้เราจะเห็นความคิดได้ชัดเจนเลยว่าเขาทำงานเองนะนะความคิดมันมีสองอย่างคือความตั้งใจคิดเนะช่นเราจะทำอะไรเราก็ตั้งใจคิดอันนี้ถือว่าไม่หลงนะแต่ส่วนนอกนั้นมันจะหลงกับทั้งวันอยู่แล้วนะมันจะหลงไปคิดนู่นคิดนี่สราบรบัดเรื่อง ตรงนี้ก็เรียกว่าจิตเป็นทำงานเองนะตรงนี้ถ้าเราสามารถเห็นได้ว่าจิตก็ทางานเองนะตรงเนี้ยเราจะเห็นได้เลยว่ามันไม่ใช่เราอ่ะมันของมันเองของเขาเองไม่ใช่เรานะมันจะสามารถที่จะแยกแยะได้ว่าอะไรคือเราอะไรคือไม่ใช่เรานะเพราะนั้นเมื่อก่อนที่เราเคยคิดว่าไอ้กายและใจเป็นเรามันจะเริ่มเห็นแล้วว่ามันเป็นของมันเองเช่นนั้นเองมันไม่ใช่เรานะกายและใจมันทางานของมันเองทั้งหมดเลยเนาะ กายเนี่ยมันทำงานเองเนาะน่ะมันหายใจเองหัวใจก็เต้นเองอ่ากะเพรา อ, อาหารก็ทำงานเองเลือดก็สูบฉีดเองอพูดง่ายๆวายวะต่างๆภายในมันทำงานเองทุกอย่างน่ะแล้วมันก็แก่เจ็บตายเองผมหงอกเองน่ะอ่าหูตึงน่ะตาฟางมันทำงานเองทั้งนั้นนะจิตใจก็ทำงานเองนะน่ะเขาก็คิดเขาเองเน่ยเราสังเกตนะ เ, เขาคิดเขาเอง แล้วนะไม่อยากคิดเกาคิดกันเองนะเรายังไม่รู้เลยว่าอีกนาทีหนึ่งข้างล่าจะคิดอะไรใช่ไหมอ่านะให้สงบตักงห้านาทีก็ไม่ได้ใช่ไหนมนะเขาทํางานเองตลอดเลยนะอ่านะมีความโกรธเขาทํางานเองมีความรักเขาก็ทํางานเองเนี่ยถ้าเรากลับมาสังเกตตรงนี้ได้เราจะเห็นว่าเออเขาทํางานเองเพราะนั้นเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้เราเขาจึงไม่ตัวเม็นตนของเรานะแต่ตามใดที่เราเริ่มบังคับบัญชาเขาได้ตามทีบต้องการ <c oughs> สิ่งเนี้ยเราจะรู้สึกความเป็นตัวเป็นตนอันนี้เกิดขึ้นนะ เพการมาดารมที่แท้จริงก็คือให้เรารู้ตามที่เขาเป็นไม่ใช่ให้ก็เป็นไปตามที่เราต้องการนะเพราะการนี้เราให้ก็เป็นไปตามที่เราต้องการเราก็ไปบังคับเขาไปกดข่มเขาให้ก็เป็นไปตามที่เราต้องการนี้อันนี้เป็นสมถะอย่างหนึ่งเนาะเป็นการที่เรกว่าเราไปบังคับเขาส่วนการที่เราเห็นเราเห็นตามที่ว่าเป็นรู้ตามที่เขาเป็นอันนี้เราไม่ได้ไปทําอะไรเขาเลยเราแค่เป็นผู้ดูผู้รู้เท่านั้นเอง เพราะนั้นการนี้ตรง น, นี้ถ้าเราเป็นผู้ดูผู้รู้ได้เราก็ไม่มีความทุกขนะ์นะเขาจะไม่ดีก็ไม่เป็นไรนะเขาจะไม่รู้สึกตัวจริงๆก็ไม่เป็นไรนะแต่เราก็ทําแล้วนะเขาไม่รู้สึกก็ไม่เป็นไรเพรอระบังครับเขาไม่ได้หรอกนะตรงนี้เราก็จะวางใจได้นะเออเราจะเป็นผู้ดูเป็นผู้รู้ไปนะเรามีหน้าที่แค่รู้แค่ดูตามความเป็นจริง หลังนั้นเราก็ไม่ไปทำอะไรกับเขาเราแค่รู้สึกตัวแล้วก็รู้ไปทรงนั้นเองนะเคยก็จะแดงความจริงเราปรากฏว่าเนี่ยแหละเราบังคับก็ไม่ได้นะจิตที่เห็นตรงนี้บ่อยๆเนีมันก็จะเกิดการปล่อยกันวางได้นะตรงเนี้ยใส่จากพื้นฐานที่เรามารู้สึกตัวกันในขั้นแรกนะหลังจากเรารู้สึกตัวแล้วมันจิตจะเริ่มตั้งมั่นขึ้นมานะเมื่อจิตตั้งมั่นก็จะแยกธาตุแยากขันเห็นกายและใจทํางานเองหลังนั้นจิตก็จะเริ่มเข้าใจและเริ่มการปล่อยกันวาง นะันี่คือขนทานเห่งความบนทุกเนาะเพราะฉะนั้นพระบูไดเข้าใจตามนี้แล้วเราไปปฏิธรรมแล้วเราก็จะไม่ทุกนะไม่ใช่เออเมื่อวานเราไม่ดีไอ้เอามื่อวานเราดีวันนี้เราไม่ดีเราก็ทุกแล้วนะอันนี้เป็นคนที่ไม่เข้าใจในปไตยิลักนะแต่เราเข้าใจปัตติลักเออเมื่อวานมันดีวันนี้ไม่ดีนี่แหละเขาแสดงความไม่เที่ยงเราเห็นแล้วเราก็รู้ว่าเนี่ยระบังคับบัญชาก็ไม่ได้แล้วนะจิตก็จะเกิดการเข้าใจนะตรงนี้ถ้าเราเห็นบ่นะ order, อยๆนะความบ่อยๆต่อเนื่องกันนี่แหละมันจะเป็นประเด็นอย่างหนึงว่านี่แหละ เป็นการที่เรียกว่าเราเข้าสูส่กระแสของธรรมเข้าสูส่กระแสของความจริงเข้าสูส่กรแสของพัฒธรรมคือปัจัยลักษณ์นี่แหละคือหนทางความพ้นทุกข์ที่แท้จริงนะเพราะนั้นในท้ายที่สุดนี้ขอรัตนาบ ร, รมีคุณพระตัไตรน้อมนับทุกท่านเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้เร็ ว, รวพันทุกท่านเทิด